สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เสียอพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยสามคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เจ็ดสิบแปดพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมจบลงไปด้วยการที่ว่ามนุษย์นั้นพระเจ้าสร้างาเรามานั้นไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ครับพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสรีภาพทางศีลธรรมเรามีอำนาจในการตัดสินใจเรา อยู่ในสภาวะที่เลือกได้ครับและผมก็เองเน้นว่าชีวิตนั้นก็คือการทดสอบแต่ว่าชีวิตไม่เป็นเพียงแค่การทดสอบอย่างเดียวแต่นะครับเป็นการเลือกด้วยครับเมื่อเราถูกทดลองนั้นเรามีทางเลือกที่จะต่อต้านโดยพึ่งพาพระเจ้าหรือเราอาจจะเลือกในทางที่ยอมแพ้เป็นไปตามการนําการล่อลวงของมารซาตานของเนื้อหนัง พี่นครับเราลองคิดหน่อครับว่าผู้ชายนั้นพอดูภาพที่ไม่น่าดูอาจจะเป็นภาพลามกผู้ชายคนนั้น <c oughs> มีทางเลือกไหมครับผมอยากจะบอกว่ามีครับและผมแน่ใจว่ามีด้วยเรามีทางเลือกที่จะเลี้ยงธรรมชาติฝ่ายต่ําของเรานะครับหรือเราจะสามารถเลือก สิ่งที่ไฟสูงก็คือเลือกที่จะทำตามเสียงหรือการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงครับเรามีทางเลือกที่จะดูหรือไม่ดูเรามีทางเลือกที่จะคิดหรือไม่คิดเรามีทางเลือกที่จะทำหรือไม่ทำเช่นเดียวกันครับสําหรับสุภาพสิตรี เมื่อสุภาพสตรีหรือผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินคำนินทาที่สนุกสนานเธอก็มีทางเลือกที่จะไม่สนใจมันหรือยั่วย้่วตัวเองด้วยข้อมูลหน้าฟังที่ทำลายชื่อเสียงของคนอื่นก็คือนินทาคนอื่นให้สนุกปากกันตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็คือว่านักธุรกิจนักธุรกิจคนหนึ่งนั้นได้พบวิธีการผิดกฎหมายในการทำเงินมหาศาล เขาได้พบกับทางเลือกครับว่าเขาจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าข้าราช ก, การเช่นเดียวกันครับก็าจะต้องมีทางเลือกว่าตัวเขานั้นจะยอมที่จะคอร์รัปชันหรือว่าจะยอมยากจนหรือมีชีวิตที่พอเพียงพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นทางเลือกทั้งสิ้นสาหรับเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้า เราควรจะมีท่าทีที่สองครับต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อเราอธิษฐานว่าข อ, อนานาข้าวงเข้าไปในการทดลองเรากำลังยอมรับว่าชีวิตนั้นเป็นการทดสอบซึ่งนำไปสู่การเลือกนะครับแต่ท่าทีที่สองนี้ก็คือว่าเรากำลังอยากจะขอพระเจ้าปรารถนาที่จะให้พระเจ้าอย่านําเราเข้าไปในการทดลองที่ใหญ่เกินไปเกรงว่าจะแพ้ นะครับนี่เป็นประการที่สองครับเรากําลังขอพระเจ้าอยานําเราเข้าไปในการทดลองที่ใหญ่เกินไปสำํำหรับที่เราทนไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าชีวิตนั้นเป็นการทดสอบและการเลือกเรากําลังถูกทดสอบเรากําลังอธิษฐานขอชัยชนะเรากําลังอธิษฐานว่าพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขออย่านําเราอย่านำเข้าพระเจ้าเข้าไปในการทดลองที่ใหญ่เกินกว่าที่จะรับมือได้หรือที่จะทนไม่ไหว พรองครัพรวจน้นะกของพระเจ้าได้บอกกับเราชัดเจนนะครับว่าพระเจ้านั้นได้วางน้ำมัไทยของโครงแนการไว้แล้วครับที่จะไม่มีการทดลองใดๆที่จะเราทนไม่ได้แต่ว่าเรากําลังอธิษฐานขอนะครับด้วยความกลัวครับเกรงว่าจะแพ้การทดลองเสียพี่รองครับ งั้นเป็นคําอธิษฐานที่เกิดจากความรู้สึกว่าเนื้อหนังของเรานั้นเป็นศัตรูกับโลกใช่ไหมครับความต้องการใฝ่ต่ำของเรานั้นเป็นศัตรูกับน้ำมันไทยและความปรารถนาความคาดหวังแผนการของพระเจ้าในชีวิตของลูกของพระองค์ใช่ไหมครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านาข้าพงเข้าเป็นการทดลองที่น้องครับเรากาลังทูลขอพระเจ้า อย่าให้ข้าพระเจ้าหรือดิฉันหรือผมนั้นหลงทางเลยครับเมื่อเราเดินทางอยู่บนเส้นทางแห่งชีวิตดีเราอาจจะเลี้ยวผิดเราอาจจะหลงทางเพราะเราไม่อ่านป้ายจราจรหรือเราฉับสนเมื่อมาถึงทางแยกที่ซับซ้อนพี่น้องครับเรากาลังบอกข้าพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าปล่อยให้ผมเลี้ยวผิดทางพระองค์เจ้าข้า เพราะว่าถ้าหากผมพวงเลี้ยวผิดทางแล้วผมเสียเวลาชีวิตของผมเยอะแยะมากมายถ้าดีฉันไปในทางที่ไม่ถูกต้องดีฉันอาจจะต้องใช้เวลานานา น, นับปีหรือบางครั้งนักนับสิบปีที่จะกลับเข้าสู่ทางของพร u n อีกครั้งหนึ่งเสียเวลาของชีวิตของคุณและผมเสียเวลาเสียของเสียทรัพยากรทุกอย่างพี่น้องครับ เราจะต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเมื่อวานนี้เราเลี้ยวผิดไปแล้ววันนี้ขอพระเจ้าย้ายเราเลี้ยวผิดอีกนะพงเจ้าข้าลูกขอเถอะพงเจ้าข้าอย่าให้ลูกเลี้ยวผิดอีกเลยหรือไปผิดทางอีกเลยพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่นำเราเข้าสู่การทดลองแต่เรายังถูกทดลองครับเพราะเรามีธรรมชาติที่ดือ้อเหมือนเวลาที่เรายืนอยู่ ตรงขอบหน้าผานะครับเกินกว่าที่เราควรจะยืนเรากำลังทำตัวให้อยู่ในความเสี่ยงเด็กเล็กๆนั้นกาลังเล่นบอลที่ฟุตบาทที่บาทวิถีแน่นอนครับลูกบอลหลายครั้งทีเดียวกลิ้งไปที่ถนนเด็กคนนั้นถูกทดลองให้วิ่งไปเก็บทั้งที่รู้ครับว่าลงถนนไม่ได้เด็กคนนั้นอาจจะไม่สํานึกตระหนักถึงอันตราย และไม่เคยคิดว่าการลงถนนนั้นเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสูงมากเด็กคนนั้นเพียงแต่ต้องการเก็บลูกฟุตบอลและความต้องการตรงนั้นทำให้เด็กคนนั้นเข้าสู่การทดสอบการทดลองได้พี่น้องครับถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ฉลาดเราจะมองเห็นอันตรายและจับมือเด็กคนนั้นหรือลูกของเราไม่ให้เขาวิ่งออกไปที่ถนนแน่ น, นอนพี่น้องครับ การที่อธจฉานว่าขออย่านําข้าพงเข้าเป็นการทดลองเรากําลังอธิษฐานว่าพระเจ้าค่ะขอทรงขัดขวางข้าพรงค์ไม่ให้วิ่งออกไปที่ถนนพี่น้องครับพี่น้องเห็นภาพนี้ไหมครับขออย่าข้าพงเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงเลยพระองค์เจ้าค่ะเพราะข้าพงเกรงว่าจะแพ้เพราะเนื้อหนังของข้าพงนั้นข้าพงครู้ครับว่ามีแนวโน้มที่จะทําความบาปพระเจ้าค่ะขอนําลูกด้วย นี่คือคำอธิษฐานและความหมายประการที่สองนี้ครับพี่น้องเราไม่อยากที่จะกลับไปทําบาปอีกเพราะเรากลับใจตั้งแต่แรกครับพี่น้องครับเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเรารู้ครับว่าพระเยซูทรงยกโทษบาปของเราแล้วปลดปล่อยเราแล้วแล้ ว, ลวบังเกิดใหม่แล้วแล้วหลุดจากความผูกมัดของวิญญาณชั่วอํานาจมืดทั้งหลายแล้วเรา การปลดปล่อยจากความรู้สึก guilty หรือความรู้สึกผิดและการลงโทษเรียบร้อยแล้วในโลมิตที่แปดข้อหนึ่งว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสพี่น้องครับถ้าเรากลับใจจริงตั้งแต่แรกก็หมายความว่าเราไม่ต้องการกลับไปทําบาปอีกในภายหลัง เราไม่อยากทำบาปในอนาคตครับเพรา ะ, ะนั้นฉะนั้นเมื่อเราอาธิษฐานว่าขออย่านําข้าพพงเข้าไปในการทดลองเรากําลังแสดงให้เห็นหลักฐานของการกลับใจใหม่ของเราครับที่รองครับเมื่อเราอธิษฐานประโยคนี้เรากําลังแสดงให้เห็นหลักฐานในการกลับใจใหม่ของเราในชีวิตของเราอีกด้านหนึ่งครับคนที่กลับไปทําบาปต่อไปและมีท่าทีว่าพระเจ้าได้ยกโทษความบาปทั้งสิ้นแล้วผมไม่ต้องห่วงอะไร ผมทำได้ผมทำบาปได้แล้วผมก็มาขออภัยขอสารภาพพี่น้องครับท่าทีนี้เป็นหลักฐานที่ว่าเขาไม่ได้กลับใจตั้งแต่แรกพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับคนที่กลับไปทำบาปต่อไปและมีท่าทีว่าเพราะพระเจ้าได้ยกโทษความผิดบาปทั้งสิน้นผมไม่ต้องห่วงอะไรผมทาอะไรก็ได้แล้วผม มักสารภาพบาปถ้าใครมีคิดอย่างนี้ถ้าใครมีท่าทีอย่างนี้พี่น้องครับท่าทีอย่างนี้และความคิดอย่างนี้เป็นหลักฐานที่บอกว่าเขาไม่ได้กลับใจตั้งแต่แรกครับเราสงสัยเขาได้เลยครับว่าเขาบังเกิดใหม่แล้วหรือเปล่าคิดเตียนที่กลับไปสู่วิถีชีวิตเก่าเสมอนะครับเราก็คงจะต้องตั้งคำถาม question mark ว่าเขาได้รับความรอดกับใจจริงหรือเปล่าเป็นคริสเตียนแท้หรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่มีความสลักสำคัญมากครับพี่น้องอยากขอให้เป็นข้อคิดนะครับในเช้าวันนี้ท่าทีของคนที่กลับใจใหม่นั้นมีหลักฐานแสดงออกครับก็คือไม่ต้องการกลับไปทำบาปอีกครับอาเมน